บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนยาแห่งพระพุทธดารัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก่ท่านกัปปะนะมานพนันทรงแสดงคุณลักษณะของบุคคลที่ทำตนใในหลุดพ้นไปจากอำนาจของกิเลสในชาติชราวรณะไปได้ ว่าได้แก่พระหรันตะขีณาศพผู้เข้าถึงปณิพาน์มีธรรมันเห็นแล้วดับรอบแล้วพระหันเหล่านั้นเป็นผู้ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งมารและไม่ไปรับใ ช, ช้มารช่อว่าเป็นผู้ผุดพุดพ้นอย่างแท้จริงพระธรรมเทศานานี้เป็นการแสดงในจุดสูงสุดของการปฏิบัติธรรมะ ทางพระพุทธศาสนาคำว่าอารหันตกขีณาสบนั้นเป็นการเรียกชื่อผู้ปฏิบัติธรรมะตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้บางครั้งเราเรียกว่าอารหันตสาวกบั้งบางครั้งก็เรียกว่าอนุพุทธะบ้างบางครั้งก็เรียกว่าขีณาสบแปลว่าผู้มีอาสวะสิ้นแล้วบ้างแต่กรหมายถึงคนธรรมดาคนหนึ่ง ที่ใช้ความเพียรพยายามศึกษาและปฏิบัติไปตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้มดถึงจุดหนึ่งก็จะได้บรรลุผลในลักษณะดังกล่าวพระพุทธดำรัสส่วนนี้ทรงชี้ทั้งเหตุและผลที่ทำให้พระยะบุคคลระดับสูงสุดหลุดพ้นไปจากอำนาจของมารและไม่ต้องไปรับใช้มารว่าเป็นผู้มีธรรมมันเห็นแล้ว ดับสนิทแล้วคำว่ามีธรรมมันเห็นแล้วนั้นก็เน้นไปที่หลักของสมาธิที่แปลว่าปัญญาเห็นชอบซึ่งผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะย่อมได้เคยสำเนีกศึกษาสดับตฟังมาว่าสมาธิคือปัญญาเห็นชอบที่สมบูรณ์นั้นเน้นไปที่ความเห็นชอบในอริยสัจ ท, ทั้ง4ประการและจะต้องเป็นความเห็นที่เกิดผุดขึ้น จากขั้นตอนแห่งการปฏิบัติดำหลักของศีลสมาธิปัญญามีสิ่งที่เรียกว่าญาณหรือวิชาปรากฏเกิดขึ้นภายในใจของบุคคลผู้นั้นแล้วก็ขจัดกิเลสซึ่งเป็นเหตุแห่งความทุกข์กันมีชื่อต่างๆออกไปใจของท่านก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเครื่องเศร้าหมองใจทั้งหลายเพราะคําันคำว่าอาสวะ ที่แปลว่ากิเลสเป็นเครื่องหมักหมมหรือเครื่องหมักดองอยู่ภายในใจก็ดีหรือว่าเรียกว่าตันหาเป็นต้นก็ดีนั้นเป็นโวหารในการเทศเป็นการแสดงลักษณะของกิเลสในชั้นที่แตกต่างกันออกไปกิเลสประเภทที่เรียกว่าอาสวะอันที่จริงก็คือเรื่องของโลภะโทสะโมหะเหมือนกันแต่ก็หมักห ม, มมอยู่ภายในจิตสันดานของบุคคล ตามปกติแล้วถ้าไม่มีอะไรมากระตุ้นจากข้างนอกก็ไม่ฟูกขึ้นไปรับอารมณ์หล่อ น, นั้นแต่ถ้าหากว่ามีอะไรมากระตุน้นจะเด็ดรูปสวยๆกิเลสประเภทกามาสะวะก็บังเกิดขึ้นหดืยินเสียงไพรเราะกิเลสประเภทกามาสะวะก็บังเกิดขึ้นเป็นต้นหรือมองเห็นสถานะความมีความเป็นต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้หรือปรารถนาความมีความเป็นต่างๆซึ่งมีอยู่ในโลกอื่นที่เข้าใจกันว่าเป็นความสุขสขงบประีต พวกภวะสวก็บังเกิดขึ้นบางครั้งก็มีความคิดความเห็นอะไรที่สมคร้อยกับความเข้าใจของตนหรือตนเข้าใจว่านั่นคือความถูกต้องอทิฐาะวะนสวะคือทิิฐก็จะฟูขึ้นแล้วก็ผนวกกับความเห็นเหล่านั้นจะเป็นการเพิ่มภูมความเห็นผิดของตนให้สูงยิ่งขึ้นหรือไม่เหตุอะไรก็ตามที่เป็นที่ตั้งแห่งความรุ่มหลงบวมเมา มันเกิดขึ้นอวิชาสะวะก็ขึ้นรับแล้วก็พนวกรวมกันไว้มันก็มีลักษณะที่เก็บหมักหมมสะสมอาการเหล่านี้ถ้ามองในเชิงที่เป็นรู ป, ปรธรรมผู้ปฏิบัติก็จะเห็นได้ว่าคล้ายๆกับเรามีเชื้อโรคส่วนหนึ่งอยู่ภายในกายแล้วพอ ร, รับเชื้อจากข้างนอกมันก็เป็นการเป็นเชื้อบวกเข้ามาคือจากเชื้อใหม่และเชื้อเก่าในที่สุดก็เก็บสะสมหมักหม ม, มอยู่ภายในร่างกายของบุคคล มีกำลังสูงขึ้นมากขึ้นโดยลำดับพอถึงจุดหนึ่งแล้วแกก็จะทำร่างกายของบุคคลให้อ่อนแอท ร, รพุนลงไปโดยลำดับสันใดจิตใจของบุคคลที่เก็บสะสมกิเลสประเภทที่เรียกว่าอาสวะเอาไว้ภายในใจก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันฉะนั้นแต่บางครั้งที่ทรงเรียกทรงเรียก ค, คาว่าตันหานั้นก็คืออาการของอาสวะที่เกิฟูขึ้น ก็บังคับจิตใจให้สายไปดิ้นไปแขวงไปซัด ส, สายไปในอารมณ์ต่งตางๆที่ใจของบุคคลไปกําหนดด้วยกามสวะวะนาคใครกามตันหาก็พลานไปในอารมณ์เหล่านั้นถ้ากําหนดด้วยภวาสวะภาวะตันหาก็บังเกิดขึ้นพลานไปในความเป็นเหล่านั้นเซึ่งแสดงเห็นได้ว่าล้วนแล้วแต่เป็นอาการต่อเนื่องถึงกันของกิเลสประเภ ท, ทต่างๆไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตาม เมื่อฝ่ายหนึ่งเกิดฝวายหนึ่งก็จะต้องเกิดติดตามมาเมื่อฝ่ายหนึ่งดับฝวายหนึ่งก็จะต้องต้องดับตามไปด้วยลักษณะของความเห็นธรรมหรือมีธรรมอันเห็นแล้วที่ทรงแสดงไว้ในชั้นต่างๆนั้นก็ไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องถึงขั้นของพระอรหันต์เสมอไปแต่จริงแล้วความเป็นผู้มีธรรมอันเห็นแล้วหรือว่าผู้เป็นผู้เห็นธรรมนั้นสามารถที่จะรู้ที่จะเห็นกันได้ ในขั้นต่างๆ ต, ตามสมควรแก่พื้นฐานสติปัญญาของบุคคลที่เพ่งปีนิดพิจารณาถึงธรรมะเหล่านั้นกรนี้พึงดูในชั้นของศีลบุคคลก็มีธรรมะเห็นแล้วได้เช่นว่าเมื่อได้ศึกษาได้สมาทานศีลไปแล้วก็มีการตรวจสอบดูศีลของตนว่าตั้งแต่เริ่มสมาทานศีล ร, รักษาศีลมานั้นศีลของตนมีความบกพร่องหรือสมบูรณ์อย่างไรหรือไม่ จะเห็นในส่วนของความบกพร่องก็ชื่อว่าเห็นแล้วในส่วนที่เห็นขอความสมบูรณ์ก็ชื่อว่าเห็นแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเห็นส่วนของความบกพร่องก็จะพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ดีขึ้นถ้าเห็นในความสมบูรณ์ก็พยายามรักษาไว้แต่ก็ชั้นศีลนั้นถือว่าชั้นแรกก็จะพยายามเพิ่มภูมให้สูงขึ้นไปโดยลําดับแต่นั้นการมองศีลได้เห็นความสะอาดความหมดจดของศีลจึงจัดเป็นอนุสติ ที่เรียกว่าศีลานุสติประการหนึ่งหรือบางครั้งบุคคลมีกุศลเจตนาในการบริจาคทานหรือบำเพ็ญความดีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็มองย้อนกลับไปถึงกุศลเจตนาที่เป็นเบื้องต้นของการบริจาคว่ากุศลเจตนาที่เป็นเหตุให้บริจาคมันปรากฏขึ้นภายในใจของตอนนั้นเป็นกุศลเจตนาที่ประกอบด้วยอะไรบ้างเมื่อ เ, เมื่อพิจารณาตรวจสอบ แล้วจะมองเห็นว่าเป็นกุศลเจตนาที่ประกอบด้วยกุศลล้วนๆหรือประกอบด้วยความปรารถนาในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามก็ถือว่าเป็นเรื่องที่บุคคลเห็นมองมองเห็นทั้งสองด้านและในที่สุดเมื่อบริจาคเข้าไปบริจาคลงไปก็ตรวจสอบถึงขณะของการบริจาคทั้งก่อนให้ขณะให้และหลังจากให้ไปแล้วมองเห็นสภาพจิตของตน ไม่มีเครื่องขุนมัวเศร้าหมองใจบังเกิดขึ้นก็จะเกิดปีติปราโมทย์ขึ้นภายในใจแต่ถ้ามองเห็นส่วนที่ขุนมัวเศร้าหมองบังเกิดขึ้นก็จะเพียรพยายามแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลดละปัญเทาให้บาบางลงไปนี้ก็ชื่อว่าเป็นการเห็นในชั้นหนึ่งเหมือนกันพระเจ้าทรงแสดงไว้เป็นกรรมฐานประเภทที่เรียกว่าจากานุสติคือการย้อนระลึกการหวนระลึกถึงการเสียสละการบริจาคของตน จนถึงขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติที่ชื่อว่ามีธรรมันเห็นแล้วจนในชั้นของการปฏิบัติสมถกรรมฐานผู้ปฏิบัติจะใช้อารมณ์อะไรเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติก็ตามจะปรการตั้งสติระลึกดูอยู่ที่ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกก็มองเห็นลมของตนทั้งขาเข้าและขาออกหรือกําหนดบทภาวนาวัฏฏโรพุทโธ สติสัมปชัญญะก็อยู่กับพุโทโธไม่พลากไปจากลมซึ่งตนหายใจอยู่ในขณะนั้นและเมื่อความสงบที่ทรงใช้คำว่กายจสังขารสงบคือลมสงบลงไปก็เห็นชัดภายในใจของตนว่าขณะนี้กายจะสังขารสงบลงไปคือลมหายใจเบาลงไปบางครั้งลมหายใจแผ่วหายไปก็มองเห็นชัดในขณะนั้นๆว่าลมหายใจได้แผ่วแร้วเบาหรือสงบลงไป พอตั iler, training, ้งสติระลึกอยู่ในที่นั้นๆนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมเห็นแล้วระดับของสมถกรรมฐานแม้ในการมองของอิริยาบถทั้งหลายที่บุคคลใช้อิริยาบถเคลื่อนไหวไปมีสติระลึกรู้ทันในยาบถต่างๆในขณะนั่งก็รู้ว่าขณะนี้เรานั่งอยู่ในขณะยืนก็รู้ว่าขณะนี้เรายืนอยู่ในขณะเดินก็รู้ว่าขณะนี้เราเดินอยู่แม้ในขณะนอนก็รู้ว่าขณะนี้เรานอนอยู่ก็ชื่อว่ามีธรรมเด่นแล้วในระดับหนึ่งเนระดับของ กรรมฐานที่เราเรียกว่าอริยาปะทะปาปปะภะคือหมวดของอริยบทแม้แต่ความแม้แต่บุคคลซึ่งมีสติสัมปชัญญะระลึกรู้อยู่ในอริยบททั้งหลายที่ใช้ไปในขณะนั้นๆไม่ว่าจะเป็นเดินยืนเดินนั่งนอต น, นั่งนอนคู่แขนเหยียดแขนหยิบของรับประทานอาหารกินดื่มลิ้มพูดคิดเป็นต้นคือรู้ทันอารมณ์นั้นก็ถือว่ามีธรรมเด่นแล้วอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งเป็นลักษณะของกรรมฐานแล้วก็ดำเนินด้วยมาโดยลำดับแม้ในการเห็นความปฏิกูลต่างๆทึ่มีปรากฏอยู่ภายในร่างกายของตนและร่างกายของบุคคลอื่นจนสามารถถ่ายถอนความกำหนัดเพลิดเพลิพนยินดีระรึงหลงอยู่ในรูปร่างกายของตนและรูปร่างกายของบุคคลอื่นได้ก็ชื่อว่ามีธรรมเห็นแล้วอีกชั้นหนึ่งเราเรียกว่ากา ย, ยกตาสติบ้างเรียกว่า ปฏิกรูละปัะพระบ้างแต่ก็สรุปแล้วก็คือว่าในความรู้ความเห็นเหล่านั้นมีข้อที่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นความเห็นหรือไม่เป็นความเห็นก็อยู่ที่กิเลสจะต้องสงบลงจะสงบลงในชั้นใดนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้ากิเลสสงบลงได้ในชั้นใดชั้นหนึ่งก็ชื่อว่าเป็นความเห็นธรรมหรือมีธรรมะอันตนได้เห็นแล้วในฐานะนั้นๆ แม้แต่การพิจารณาแยกกายเอาเป็นส่วนๆเป็นดินน้ำลมไฟแล้วก็พยายามแยกย่อยออกไปเห็นว่าผนขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผือไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยหันใหม่หันเก่าน้ำลายน้ำตาน้ำมูกน้ำเหงื่อเป็นต้นทั้นแลแต่เป็นธาตุซึ่งเกาะกลุ่มกันเข้าประชุมกันเข้ารวมเรียกว่าเป็นคนเป็นสัตว์ แต่วันนั้นก็สักแต่ว่าธาตุเมื่อธาตุเหล่านั้นแยกย่อยออกไปความเป็นคนเป็นสัตว์ก็หายไปร่างกายของคนนั้นดูแล้วก็เหมือนกับเนื้อที่เขาจำและขายกันในท้องตลาดเมื่อก่อนก็เป็นรูปของโครูรปของกระบือรูปของสัตว์ประเภทต่างๆแต่เมื่อเขาแยกย่อยออกไปแล้วก็หาความเป็นโคเป็นสัตว์ไม่ได้ ร่างกายของสัตว์เหล่านั้นชั้นใดร่างกายของเราก็ชั้นนั้นร่างกายเราชั้นใดร่างกายของสัตว์เหล่านั้นก็ชั้นนั้นแล้วก็เกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนักความเพิดเลืนเรองหลงความยึดติดต่างๆที่เคยมีอยู่อย่างน้อยในชั้นใดชั้นหนึ่งก็ชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมในนินแล้วในระดับหนึ่งเแม้แต่ว่าการไปมองเห็นซากศพรือว่าคนตายหรือไปในงานศพอะไรต่างๆ แลมองจากศพมาหาเราหรือมองจากเราไปหาศพและมองจากเพื่อนฝูงที่กำลังนั่งกันอยู่ในขณะนั้นๆแล้วเกิดธรรมสังเวสสลดจิตปรงตกในชีวิตทั้งหลายว่าในขณะที่เรามาพร้อมกันเพื่อทำบุญอุทิศให้แก่คนซึ่งตายไปแล้วก็เป็นทากศพอยู่นั้นในวันต่อไปเราก็จะต้องตกอยู่ในสภาพอย่างนั้นไม่พ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ เพราะนั้นก็คือธรรมะคือธรรมชาติมันเป็นอยางนั้นเองสภาวะมันเป็นอย่างนั้นเอ ง, มเอ ง, เองไม่มีใครที่จะล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้นี้ก็ชื่อว่ามีธรรมอนิลแล้วก็ น, นี้ท่านสาธาชนทั้งหลายจะเห็นว่าการมองเห็นในลักษณะนี้ของพระริยเจ้าทั้งหลายในอดีตเช่นการที่ประสารีบุตรท่านไปดูมรสพบแล้วก็มองดูทั้งผู้ดูและผู้แส ด, แดงว่าในที่สุด จะต้องจบตรงที่ความตายอายุจะไม่ยืนไปเกินร้อยปีถ้าเกินร้อยปีก็ต้องตายเพราะชราประโยชน์จากการดูจริงๆนั้นจึงไม่มีชีวิตควรจะมีประโยชน์มากกว่านั้นแล้วในที่สุดท่านก็ออกแสวงหาธรรมะจนได้พบราศจิและได้ฟังธรรมะในพุทธสำนักได้ประพฤติปฏิบัติตามุอรหัตในที่สุดนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมนเห็นแล้วในชั้นหนึ่งดังนั้นคาว่ามีธรรมนเห็นแล้ว จึงใช้ได้ในที่ดูทั่วไปเม่ว่าจะมองไปในกลุ่มของกายานุปัสนาสติปัฏฐานคือดูส่วนใดส่วนหนึ่งของกายหรือสภาพชีวิตต่างๆที่มีอยู่ปรากฏอยู่ในขณะนั้นๆอาจจะมองใบไม้เหลืองที่หล่นมาจากขั้วแล้วก็มองเทียบเคียงเข้ามาหาตนว่าแม้ตนเองก็มีลักษณะคล้ายๆกับใบไม้เหลืองเหล่านั้นเองโอกาสที่จะหล่นจากขั้วนั้นใกล้เข้ามาเต็มที และไม่แน่เสมอไปว่าจะล่นเมื่อมันเหี่ยวเฉาลงไปจริงๆอาจจะล่นลงไปเพราะถูกลมกระแทกหรือถูกเพราะถูกการกระทำของบุคคลอื่นหรืออาจจะเกิดพระอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ชีวิตเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันในขณะนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเรายังมีชีวิตอยู่ แต่ในโอกาสต่อไปในขณะใดขณะหนึ่งนั้นความแตกดับของชีวิตก็จะเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นตามปกติธรรมดาหรืออาจจะเกิดขึ้นเพราะอุบัติเหตุหรืออาจจะเกิดขึ้นเพราะการกระทําของตนเองหรืออาจจะเกิดขึ้นเพราะการ ก, ร, ออาจจะกระกรกทําของบุคคลอื่นก็ได้แล้วเมื่อมองเห็นแล้วก็ปล่อยวางความยึดถือในเรื่องบางเรื่องลงไปได้ลดละบันเทาความเครึ่งเครียดความอาฆาตพยาบาทความจองเวรซึ่งกันและกัน โดยมองเห็นว่าเอาก็จริงแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเราจะโกรธเขาหรือไม่โกรธเขาเขาก็ตายเหมือนกันเราจะฆ่าเขาหรือไม่ฆ่าเขาก็จะตายเหมือนกันแต่การที่เราหยุดการฆ่าเขาและมาฆ่าความโกรธนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เขาด้วยและเป็นประโยชน์แก่เราด้วยเป็นการปิดประตูอับบายสําหรับตัวเองเปิดประตูสวรรค์สำหรับตัวเองและในที่สุดก็งดเว้นความรุนแรงในลักษณะต่างๆลงไป ความคิดในลักษณะนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมหเห็นแล้วในฐานะนั้นๆและการปฏิบัติเหล่านี้ในขั้นตอนของการปฏิบัติตามหลักของสติปัฏฐานหรือว่าปรสูตรอื่นที่ทรงแสดงไว้หากว่าเป็นความรู้ความเห็นที่ปรากฏเกิดขึ้นในขณะนั้นๆจะในขณะที่ตรวจสอบดูเวทนาถึงบังเกิดขึ้นทางกายหรือทางจิตก็ตาม คือบางเกิดขึ้นที่กายจิตเป็นตัวสเสวยจิตเป็นตัวรับรู้เวทนาเหล่านั้นหรือเกิดขึ้นภายในจิตใ จ, จโดยตรงแล้วก็จิตเป็นตัวสเสวยรับรู้ที่ท่านเรียกว่ากายยึกระทุกข์หรือทุกกายเจตสิกกระทุกคือ ท, ทุกที่เกิดขึ้นแก่ใจอันเป็นเวทนาหรือในส่วนของความสุขก็มีลักษณะเช่นเดียวกันบุคคลมีสติระลึกรู้ในเวทนาที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้นๆ เมื่อสุขเวทนาบังเกิดขึ้นก็รู้ว่าขณะนี้เรากำลังสวยสุขเวทนาอยู่และเพ่งพินิษ ด, ดูอยู่ที่สุขเวทนาเหล่านั้นก็จะเห็นว่าเวทนานั้นมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปอาจจะสุขสูงขึ้นอาจจะคงอยู่นิดนิดและอาจจะลดลงโดยลำดับและอาจจะเปลี่ยนเป็นความทุกข์กแล้วก็เปลี่ยนเป็นความสุขสลับกันไป อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงแก่ท่านทีข้นักข่ว่าในขณะใดที่เสวยทุกขเวทนาในขณะนั้นก็ไม่ได้เสวยสุขเวทนาในขณะในลใดที่เสวยสุขเวทนาในขณะนั้นก็ไม่ได้เสวยทุกขเวทนาก็มองเห็นถึงความไม่เที่ยงแท้นแน่นอนของเวทนาตามที่สวดสาธยายกันในตอนธรรมวัตรเช้าที่ว่ารูปังอนิจจังรูปเป็นของไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาเป็นของไม่เที่ยง สัญญาณิจจาสัญญาเป็นของไม่เที่ยงสังขาระอนิจจาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจาวิญญาณทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงก็อาจจะพิจารณาในขันทั้งหประการเหล่านั้นมองพินิษพิจารณาดูเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนจริงๆทั้งส่วนที่เป็นรูปร่างกายคือรูปและส่วนที่เป็นนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณล้วนแต่มีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปไม่คงที za, ่ Pre <person> ก็จะรู้สึกปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งหลายลงไปใจจะมีความสงบมีความเยือกเย็นปรากฏเกิดขึ้นนี่ก็ชื่อว่าเป็นผู้มีมีธรรมันเห็นแล้วในระดับหนึ่งในการปฏิบัตินั้นก็จะเดินเรื่อยไปจนถึงจุดหนึ่งที่ท่านเรียกว่าธรร ม, มาจากสุขคือมีธรรมที่เห็นแล้วนั่นเองหรือว่ามีดวงตาเห็นธรรม คำมาดวงตาเห็นธรรมในที่นี้ไม่ได้เน้นไปที่มังสะจักษุคือตาธรมาธรมดาธรรมดาแต่เน้นไปที่ปัญญาจาักษุคือตาปัญญาบางครั้งท่านก็เรียกว่าวิปัสสนาปัญญาคือความรู้ความเห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนถึงความจริงในสิ่งเหล่านั้นความจริงในสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างไรก็เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงในสิ่งเหล่านั้น อย่างความรู้ความเห็นที่บังเกิดขึ้นแก่พระเยเจ้าระดับโสดาบันขึ้นไปนั้นท่านจะเห็นเหมือนกันว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาคำว่าสิ่งนั้นพึงสังเกตว่าจะหมายถึงทั้งรูปธรรมและส่วนที่เป็นนามรธรรมหรืออรูปรธรรมเพราะว่าสิ่งที่ เที่ยงแท้แน่นอนในโลกนั้นก็มีเฉพาะนิพพานเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเองนิพพานจึงอยู่นอกกฎของไตรลักษณ์นิพพานท่านจึงเรียกว่าวิสังขารที่ฏฐุพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าวิสังขาระคตังกิตตังคือจิตเข้าถึงวิสังขารอันไม่มีการปรุงแต่งเมื่อไม่มีการปรุงแต่งก็เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนโลกนั้นเป็นของไม่เที่ยงนิพพา น, นเป็นของเที่ยงโลกเป็นทุกนิพพานเป็นสุข ลกเป็นโลกโลกเป็นอัตตนิพานเป็นอนัตตาคือว่างจากตัณหาว่างจากปานะและว่างจากทิธิว่างจากตัวจากตนด้วยประการต่างๆเพราะฉะนั้นในแง่นอกจากนิพานแล้วในแง่ของโลกียธรรมทั้งหลายล้วนแล้วแต่เป็นของที่ตกอยู่ในสภาพของไตรลักษณ์ทั้งสิน้นคือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะนั้มองไปบางมาก็มาได้บทสรุปที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาความรู้ความเห็นเหล่านี้จะสามารถขรจัดความมืดบอดความลงในอารมณ์ทั้งหลายออกไปจากจิตใจของบุคคลได้และแม้จะประสบความพลัดพรากความเปลี่ยนแปลงความสูญเสียอะไรก็ตาม โดยพื้นฐานของความคิดที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนเองจะกลายเป็นหลักใจให้เกิดยานปัญญารูธทันอารมณ์เหล่านั้นและปรงตกในอารมณ์เหล่านั้นไม่ปล่อยให้ความโศกเป็นต้นเข้าครอบงำกัดกร่อนจิตใจของตนเองให้เปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเช่นชาวโลกทั้งหลายซึ่งยังมีความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์เหล่านั้นอยู่ คนนี้พึงดูตัวอย่างนางมัลลิกาเทวีผู้เป็นมเหสีของพันธุลเสนาวดีท่านเป็นพระยะสาวกระดับโสดาบันที่มีธรรมเห็นแล้วว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อสามีกับลูกชายของท่านได้ถูกลวงไปฆ่าหมดในคืนเดียวกันคนมาแจ้งข่าวให้ท่านทราบ ท่านไม่ได้แสดงออกมาแม้ทางสายตาไม่พูดอะไรสายตาก็ไม่แสดงความโศกเศร้าเสียใจออกมาแต่ประการใดจนนางทาสีเดินมาทำของแตกประสาริบุตรซึ่งนั่งอยู่ด้วยเขาต้องการจะให้สตินางว่าสิ่งที่มีความแตกดับเป็นธรรมดาได้แตกดับไปแล้วบุคคลไม่ควรจะคิดอะไรนางก็ดึง จดหมายออกมาจากชายพกแล้วอ่านถวายพระตระว่าแม้แต่สามีและลูกชายทั้งหมดถูกฆ่าตายดิฉันยังไม่คิดอะไรจะมาคิดอะไรกับจานแตกเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองนี่เป็นการแสดงเห็นว่าความคำ ว, ว่ามีธรรมมันเห็นแล้วหรือว่าเห็นธรรมแล้วนั้นจะต้องมีผลที่เข้าถึงใจจิตใจของบุคคลมีความส ง, งบ ขึ้นมีความสะอาดขึ้นมีปัญญาเป็นเครื่องกำกับคล้ายๆกับมีภูมิกล้องป้องกันโรคในตัวของมันเองแม้จะเกิดอารมณ์อะไรมากระแทกกระทันจากภายนอกรุนแรงขนาดนั้นจิตใจของบุคคลก็จะไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์เหล่าดั้นนี้ก็คือลักษณะของคำว่ามีธรรมอันเห็นแล้วจริงๆที่เห็นอย่างแท้จริงจากจุดนี้เอง อยากถ้อยคาสั้นๆที่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาบุคคลอาจจะมองไปในแวดวงชีวิตของตนเองก็จะเห็นว่าทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นโดยกฎธรรมดาทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งของทั้งปิยชนคนที่รักของเราทั้งอปิยชนคนอันไม่เป็นที่รักของเราและคนที่เรามีความรู้สึกเฉย สัตสังขารทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นโดยเหตุโดยปัจจัยตามธรรมดาของเขาแล้วถึงคราวจะแตกดับนั้นเราเองเราก็ไม่รู้ว่าแตกดับเมื่อไรเขาเองเขาก็ไม่รู้ว่าแตกดับเมื่อไรแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือต้องแตกดับเมื่อแตกดับก็คือแตกดับเมื่อเปลี่ยนแปลงก็คือเปลี่ยนแปลงเมื่อบุบสลายไปก็คือบุบสลายไปใจก็ปรงตกในอารมณ์เ่านั้น คนนี้พึงสังเกตว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนในบุคคลได้สนับถึงความจริงตั้งแต่ในขั้นของการต้องพรัดพลาดในชีวิตของตนเจ้าญาติ พ, พี่น้องตายไปก็ทรงแนะนำสั่งสอนว่าการร้องให้การเสียใจถึงเพียชนคนที่รักนั้นไม่ได้อะไรขึ้นมาญาติที่ตายไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเราร้องให้เสียใจ เราเองก็ต้องพ่ายผอมกลมตมซึมเศร้าไปด้วยประการต่างๆศัตรูของเราเองก็จะชื่นชมยินดีในความวิบัติของเราเองการกระทําในลักษณะนี้จึงไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันก็ทรงสอนให้ทําในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อคนตายเจนรนว่าการบําเพ็ญกุศลอุทิศไปให้แก่คนตาย การบูชาคนตายเป็นการแสดงออกซึ่งญาติธรรมคือธรรมะระหว่างญาติจะถึงจะพึงปฏิบัติต่อการเป็นต้นนั้นก็คืออะไรคือเรื่องที่แตกดับไปแล้วก็คือแตกดับไปแล้วเป็นการสอนในเห็นธรรมในชั้นหนึ่งในระดับหนึ่งไม่ไปพยายามแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ให้ทําในสิ่งที่เป็นไปได้และสามารถที่จะทําได้ตอนนั้นในชั้นก็เรือนใจ ผู้ปฏิบัติก็จะเห็นว่าเป็นแนวเดียวกันคือข้อที่ส่งสอนเรื่องอุเบกขาอุเบกขานั้นก็คือสิ่งที่เป็นไปตามธรรมดาได้เป็นไปตามธรรมดาแล้วถ้าใครจะฝืนคติแห่งธรรมดาเหล่านั้นก็จะเป็นการสร้างปัญหาให้ทับทวีขึ้นภายในจิตใจในขั้นตอนของการดํารงชีวิตนั้นบุคคลอาจใช้เมตตาได้ในขณะหนึ่งในอารมณ์หนึ่งใช้กรุณาได้ในขณะหนึ่งในอารมณ์หนึ่ง ใช้มุติตาได้ในขณะหนึ่งในอารมณ์หนึ่งแต่ยามที่คนต้องประสบความพิบัติด้วยกรรมของเขาเองมอกวิสัยที่ใครจะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เพราะในโลกนี้แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ไม่สามารถแก้ไขกรรมที่เป็นอดีตได้ใจของบุคคลก็ต้องปรงให้ตกในอารมณ์นั้น เห็นการต่อสู้การล้างพรานของคู่เวรทั้งหลายทั้งส่วนจ้อยและส่วนใจถ้าจะทําใจให้ลําเอียงโดยชั้นทาคติในกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็จะมีโทสากติในกลุ่มหนึ่งมีโทสากติในกลุ่มหนึ่งก็จะมีชั้นทาคติในกลุ่มหนึ่งใจร้อนทั้งสองฝ่ายคือหลบไปทางซ้ายก็ร้อนหลบไปทางขวาก็ร้อนทําอย่างไรใจจึงจเจ็ด แล้วก็สอนให้ปรองใจลงไปตามกฎของกรรมว่าเป็นเรื่องของกรรมสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทํากรรมมันได้ไว้จะดีหรือชั่วก็ตามก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนั้นก็คือว่าเป็นการมองเห็นธรรมหรือมีธรรมอินเห็นแล้วในชั้นหนึ่งบุคคลจะได้หลักใจ เมื่อเสร็จภารกิจการงานที่จะต้องจัดจะต้องทําแล้วก็เข้านอนเพื่อพักผ่อนให้ร่างกายและจิตใจมีกําลังพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจของตนซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมแก่ลักษณะของอารมณ์เหตุการณ์ ก, ร, กรณีนั้นๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของบุคลคลคําว่าเมตตามนเิเสตแล้วจึงเน้นไปที่การใช้สติสัมปชัญญะและความเพียรพยายามและลึกรู้ในอารมณ์ทั้งหลาย ตามความจริงของสิ่งเหล่านั้นรู้ในส่วนของอปยากตะธรรมหรือส่วนของทุกรสัตรว่าเป็นสิ่งที่ตจะต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อแกเป็นไปอย่างไรแกก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นเป็นเรื่องธรรมดารู้ถึงกลุ่มของสมุทัยสัตว์ว่าเป็นสิ่งที่มีทุกข์มีโทษควรแก่การลดละบรรเทาให้เบาบางลงไป รู้ในกลุ่มของนิโรธสัตว์ว่าเป็นเป้าหมายที่พึงกระทําบําเพ็ญพึงกระทำำําให้แจ้งและรู้ในส่วนกลุ่มของมรรคสัตว์ว่าเป็นข้อธรรมที่ควรแก่การลงมือประพฤติปฏิบัติแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่รธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมในขณะนั้นๆในกาละในอารมณ์นั้นๆก็จะได้รับประโยชน์ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแต่งตน้นต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจ ทำความสงบสืบต่อไป